คือจะเป็นลักษณะว่าไม่ค่อยทราบว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติอยู่หรือเปล่าอะค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปตอนนี้ก็คือโกรดน้อยลงชีวิตก็นิ่งๆค่อนข้างนิ่งเกินไปค่ะใ่มันนิ่งเกินไปนิดนึงอย่าไปบังคับมันนะปล่อยจิตใจให้มันเคลื่อนไวหวให้มันทำงานไปตามธรรมดาแล้วเรามีหน้าที่ตามรู้ตามดูไป<อ>เห็นกิเลสไหมแต่ละวันหรือนิ่งลูกเดียว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 แต่รวมความก็คือกระทั่งมหายานนะก็ไม่ได้สอนให้ไปดูความว่างทางฝ่ายเทราวาวก็ไม่มีสุญญาตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่มีทั้งสองข้างเลยนะอันนี้เป็นความเข้าใจเข้าใจเคลื่อนไปในมหายานที่เรียกว่าสุญญาติทิฏฐิสุญญาตาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดเกี่ยวกับสุญญาตาสุญญาตาเป็นผล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 ว่าเราจเจริญปัญญารวดไปเลยก็พอล้เรามีสติรู้ทันไปเรื่อยๆดูจิต ด, ดูใจไปเรื่อยไม่เห็นต้องทําสมาธิเลยความจริงเอียนสมาธิทํามาตั้งแต่เจ็ดขวบทําอยู่22ปีทําแต่สมาธิขึ้นมีปรั ส, สนาไม่เป็นพอมาทํำมีปรั ส, สนาสุดโต่งเลยไม่เอาสมาธิแล้วรู้สึกเนี่ยทาให้เราเนิ่นช้ามาตั้ง22่สิบปีตามดูจิต ด, ดูใจไปเรื่อยใจมันก็เข้าใจธรรมะเป็นลําดับลําดับไปมันเข้าใจไปถึงขีดหนึ่งมีขีดจํากัดละ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 แถมทิ้งสมถะด้วยเนี่ยใจมันเลยไปอยู่ร อ, รอ บ, ร อ, บอยู่ขอบๆพวกเราหลายคนเป็นนะที่หลวงพ่อไล่ไล่ทุบไล่ตีเอพอไปเห็นทันนะอ๋อที่ท่านให้บริกรรมเพราะว่าใจเราไม่ตั้งมั่นพอนั่นเองนะกลับมาทำสมถะนิดหนึ่นนงใจตั้งมั่นขึ้นมานะตามรู้ตามดูได้ก็เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นลาดับลำดับไปงั้นสมถะก็สาคัญนะอย่าทิ้งแต่ไม่ใช่ทำสมถะให้เคลิอม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 อย่าจงใจปฏิบัติจงใจปฏิบัติเยอะไปเวลารู้แล้วจะติดจงใจแนละ้วตอนนี้รู้แล้วลดความจงใจลงค่ ะ, ะส่งการบ้านไม่เป็นหลพ่อเลยส่งให้คุณวิยาดาอเอ่อตอนนี้พอลอยแล้วก็จมค่ะแล้วก็เห็นว่าเจตนาที่เห็นเจตนาชัดๆที่จะเข้าไปยุ่งโอ้ดีดีะดละเพราะว่ารู้สึกแล้วก็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 บางทีหนูกม็มันถูกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูกายเนี่ยมันจะง่ายคือแบบมันจะหยาบหยาบเพื่อนไหวไดเนี่ยรู้ได้แต่พอจิตปุ๊บเนี่ยก็จะงงๆเพราะบางทีเนี่ยสมมติหนูหนั่งนั่งอยู่นะคะจะรู้สึกหนั ก, นกๆที่ที่ตรงกลางอกอะคะ่ะพอรู้หนักปุ๊บมันก็โล่งไปแล้วหนูก็จะมีความสงสัยเกิดขึ้นว่าไอ้ที่หนักๆนี่มันเป็นกายหรือมันเป็นจิตมมสส ไ, มไม่ใช่กายไม่ใช่จิตนะที่หนักๆเป็นแค่วิบากของมัน เป็นผลหลังจากที่จิตไปทํางานแล้วทํากรรมแล้วนะเช่นเวลาเราใจลอยไปพอเรารู้ว่าใจลอยแล้วเราไปดึงคืนมานะมันจะมาหนักที่นี่นะหรือเวลาเราไปโกรธใครมานะพอเลิกโกรธไปแล้วนะไอ้นี่ยังหนักไปอีกพักต้องรับวิบากรับผลของมันแก้ไม่ได้ตัวนี้ <c oughs> ก็คืออั น, นอันนี้ก็คือหนูก็รู้ในปัจจุบันที่หนูรู้ได้แค่ น, นั้นแต่จริงๆก็ ค, คือควรจะรู้ตั้งแต่ว่ามันตอนโกรธ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 จิตใจเราก็ฉลาดรู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวนะเราก็ไม่ทุรนทุรายใจิตใจมีความสงบสุขแค่เห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวใจิตใจก็สงบสุขขึ้นเยอะแล้วแล้วภาวนามากเข้ามากข้าวถึงจุดที่เขาปล่อยวางยิ่งมีความสุขเยอะใหญ่วันนี้ได้แค่นี้นะได้แค่นี้เชิญยมกลับบ้านไปยขอหลวงพ่อคุยกับพระยนะ